أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم ص ل على ن ب ي ن ا م ح م د وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ر ب ش ر ح لي صدري و ي س ر لي أمري و ح ل العقدة من لسان يقهو قولي ر ับบ ظلم ن ا าขุน ن รีเราว่าอิลลัมท้อ من ا ل เราแล نا ับ ا มน ي แ ر นักูน ن นไม่นั ا นที่ ن ู้ที่ผู้ ا ل ح ผู้ที่ผู้ที่ผ ن ้ที่ผู้ ل ี ا ผู้ท ل ่ผู ن ท ا ่ผู้ที ا ن ู้ ل ี่ผู ي ที่ผู خ ที่ผู้ที่ผ ن ้ที่ผู้ที่ผี้ที่ผู้ที่ผท้ที่ผู้ที่ผู้ี่ ก็ จ, จบไปพร้อมๆกับการลาลับของดวงอาทิตย์วันที่13บสาม ذو ا ل ح ج อัลฮัมดุลิลละนะครับชูกโกตาะลอสำหรับหลายๆอย่างที่เราได้รับจากพระองค์ในช่วงสิบวันแรกและในวันตัชริกของ ذو الحجة ะนะครับซึ่งมีสิ่งดีงามต่ตางๆมากมายที่บรรดาชาวมุสลิมได้รับเพราะฉะนั้นวัน วันอีดหรือช่วงเทศกาลอีดเนี่ยจึงมีสุนนะหรือมีดวอาให้เรากล่าวดวอาอวยพรซึ่งการละกันนะครับในอิสลามเราก็มีการอวยพรการขอดวอาให้แก่กันนะครับด้วยคํากล่าวอย่างเช่นแล้วก็บาอลลอฮ์มิ่นาะมิ่งขุมนะขออัาลลอฮฺสัลลัลลฮฺทรงตอบรับจากเราและท่านทั้งหลายนะครับก็คือทรงตอบรับการงานที่ดีที่เราได้ทําไม่ว่าจะเป็น อัาอามมาัลต่างๆาการถือสินอดโดยเฉพาะที่เราได้ถือสินอดไปในวันอัลลอฮ์นะครับเพราะว่าอาัมาัล <c oughs> ที่สําคัญที่สุดก็คืออัมมัลที่ถูกตอบรับจากอัลลอฮ์คนบางคนอาจจะมีอัมมัลเยอะแต่ตอัลลอฮ์แต่ลาไม่ได้ตอบรับซาฮับะสาระบางคนถึงกลับถึงกลับถึงกลับมีคํากล่าวจากบรรดาสาระบางคนบอกว่าถ้าฉันรู้ว่า Allah อัลลอฮ์แต่ละรับอัมมัลของฉันเนี่ย สักอย่างหนึ่งฉันขอตาตรงนั้นเลยก็คือมีความรู้สึกว่ามันสำคัญมากการที่เาลตเาตอบรับอัลลของเราบางทีเราทำอัมัลเยอะแต่มันไม่ได้มีผลต่อการตอบรับจากอัลลอฮ์สุบฮานาะอัตตาล์ก็เหมือนศูนย์เปล่าอันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งเวลาที่เราทำอัมัลใดๆก็แล้วแต่มันจะต้องมีการขอดูอาหลังจากนั้นด้วยว่า إن أن ال รับบนาต قب ลมบนักคขอราอเรา พ, รพระองค์นั้นทรงได้ยินและก็ทรงรับทราบนะว่ว إن أن นะ า, าวัดูบะเมนจารังคงอคุณพระองค์นั้นท ร, ร, ร ง, นนงเมตตา การขออภัยก็มีความสําคัญเหมือนกันขออภัยจากอะไรจากความผิดพลาดในการทําอามัรของเราบางที่เราทําไม่ร้อยเปอร์เซ็นละหมาดเราไม่โคชัวการถือศีลอดของเราก็ไม่ไม่สมบูรณ์ไอ้ที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยเราขอให้เราจะรับไปด้วยไม่ใช่ว่าพอเราทําไม่สมบูรณ์แล้วเนี่ยกลัวว่าลเราจะจะไม่รับใช่ไหมครับเพราฉะนั้นไม่สมบูรณ์ก็ขอรับไปเถอะ ว่าไอที่ไม่สมบูรณ์แหว่งแหวงไปหน่อยก็ช่วยรับหน่อยเถอะเนี่ยก็คือขั้นแรกของดวอาอาคอมบาลมินนะเรา แ, แต่เราถือศินอดให้ดีนะเราก็ยังมีอีกอนะที่ไปแขวะคนนั้นไปแขวะคนนี้ไปไม่สมบูรณ์อ่ะมันของเราไม่สมบูรณ์แหวงแว่งวิง่งวิ่งรับไปหน่อยเถอะขอให้ ร, รับส่วนไอ้ที่แหวงที่วิ่เนี่ยก็ขอให้สมปลอดภัยสองอย่าง มันไปด้วยกันจริงๆแล้วมันมีตัวอย่างนะครับจากด ع อาของนบีอิบราฮิมกับนบีอิสมาอิลซึ่งเกี่ยวข้องกับอั ม, มัลฮัจด้วยใช่ไหมครับที่หลังจากที่อัลลอฮ์ทรงแต่ละสั่งให้อิบราฮิมกับอิสมาอิลไปบุรณะกะบะแล้วอิบราฮิมก็ขอ دعاء าจากอัลลอฮ์ว่าให้มักกะเนี่ยเป็นเมืองที่มีบรอกัตมีอะไรสุดท้ายก็มี دعاء คล้ายๆกันนี้ที่สองคนนี้อ่า อับนาตัคับบ์มินาอินนักอันตะสมาลอาลีว่าจัลนามุสลิมายาลกะสุดท้ายก็วัตถุบล ل ي ن ا อินนักอัลตัตวารในสุรทูละกระมีอยู่นะครับใล้ล้ๆเคียงกันด้อานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือดูอาที่แนะนำนะครับให้เราได้อ่านเวลาที่เราทำอามัลใดๆก็ตามนะครับก็ขอรักษาตอบรับนะครับทุกอย่างที่เราได้ทาเอาไว้แล้วมันจะมันจะมีที่บกพร่องอยู่บ้า ในขณะเดียวกันช่วงอที่ผ่านมาเราก็มีเรื่องข่าวคราวที่น่ า, นาเศร้าใจน่าสลดใจของพี่น้องเรานะครับเราจะเป็นเรื่องของการเสียชีวิตการเกิดอุบัติเหตุซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนั้นเป็นฮิกมัดจากอัลลอฮฺตาลาทั้งสิ้นนะครับก็ขอดุทาให้อลัาาลลาอทรงประทานสิ่งที่ดีทดแทนให้กับ การสูญเสียนะครับของพี่น้องเราแล้วก็ส่งตอบรับทรงทําให้พวกเขานั้นได้มีความอดทนที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปอินชาอัลลอฮ์นะครับแล้วก็ถ้ากสามารถที่จะช่วยเหลือได้คนละเล็กคนะน้อยในการแบ่งเบาหรือบรรเทาความทุกข์ยากของพี่น้องก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับไม่ใช่เพียงแค่ดวงอาเท่านั้นดวงอานั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นอยู่แล้วแต่ว่ า, าปัจจัยหรืออย่างอื่นถ้าสมมุติว่าเอ ช่วยเหลือได้ก็เป็นสิ่งที่สนับสนุนในอิสลามเราอันเชาะล็อก น, นะครับรวมทั้งอัลฮามิลละนี่คือความประเสริฐของเดือนสุลฮิจัมันมีช่องทางนี่จะทําให้เราได้ทําดีเยอะมากมายเลยเกินนะครับโดอาเราก็ได้โดอาอัมั่ส่วนตัวเราก็ได้อัมมั่ส่วนตัวอัมั่เพื่อคนอื่นเราก็ได้ทําอัมมั่เพื่อคนอื่นแล้วก็ความรู้สึกผูกพันกับพี่น้องที่กําลังทำฮัทอยู่ตอนนี้ ก็นะครับทามิลละปีนี้ผมเพิ่งอ่านสเตตัสไปเมื่อเมื่อเย็นเมื่อบ่ายนะครับเขาบอกว่าปีนี้ฮัดเรียบร้อยมากด้วยความปลอดภัยด้วยความไม่มีเหตุการณ์เหมือนปีที่แล้วเลยเพราะว่ามีอยู่ชาติหนึ่งที่ไม่ได้ไปฮัดวันนี้ปีนี้เขาบอกว่าประชาตินี้แหละที่ทําให้เกิดเหตุการณ์อยู่ทุกปีทุกปีก็ชาตินี้ชาติเดียวไม่มีชาติ พอไม่มีประเทศนี้ไปเนี่ยฮัตเรียบร้อยไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเลยที่ที่นารักขวัญสุดห้ามเอาละนะครับมันเป็นเหตุผลหลายหลายอย่างเราเหรอเราลองถามพี่น้องดูที่ไปฮัตเยวเขากลับไปลองลององถามดูก็แล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแต่ทำอย่างละทุกอย่างนั้นเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราแต่เราต้องการจะสอนเราอะไรล่ะอย่างนี้ที่ผมบอกแล้วว่าฮัตเนี่ยเอฮัตเนี่ย เป็นเป็นตัวแทนหรือเป็นสั ญ, ญลักษณ์ที่จะสอนเราว่าเราคนรจะอยู่ในโลกนี้แบบไหนเราจะบริหารจัด ก, การประชาชาติหรืออุมมะยังไงศา ส, สนาอิสลามเป็นศาสนาที่พูดถึงประเด็นอุมมะเราไม่ใช่ศาสนาที่เก็บตัวอยู่ในถ้ำทำอามัลอิบาดัดคนเดียวไอ้ส่วนแบบนั้นมันก็มีการทำอามัลคนเดียวมันก็มี แต่ไม่ใช่ว่าจะทำอย่างนั้นตั้งทั้งปีตลอดทั้งปีไม่ออกไปไหนอยู่แต่เนี่ยไม่ไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับการบริหารจัดการบอกแล้วมันเกี่ยวกันหมดในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของอิบราฮิในเรื่องของจริยธรรมในเรื่องของการช่วยเหลือสังคมในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ในเรื่องของการบริหารจัดการการบริหารอุมมความเป็นประชาชาติพัมดมันสอนเรานะ การถือศีลอดมันสอนอย่างอืน่นใช่ไหมครับสอนจริยธรรมสอนความรูรรม้สึกร่วมอากาศมันก็สอนเกี่ยวกับเศรษฐกิจเกี่ยวกับการค้าขาเกี่ยวกับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือความสวยงามของอิสลามนะครับอพอปลายปีอย่างเนี้ยเราจะได้สรุปความรู้สึกแบบนี้ทุกปีเราทำเลยละนะครับเนะพราะว่ามันสวยงามอุดดุลฮิจญะนี่จะอยู่ท้ายปีมันเหมือนกับว่า ปิดท้ายปีด้วยด้วยฮัจจ์มันจบหมดเลยอ่ะ เ, อเริ่มด้วย ล, อล า, าอิลาฮะอิ ล, ลอละฮ์สอลาอะไรอีกแจากกาศ ร, รมอตฮอนเห็นไหมมันเหมือนกับตลอดทั้งปีนี่มันก็เหมือนกับแบ่งมาให้เรียบร้อยลวมหรอมตั้งแต่มหรอมมาจนถึงเห็นไหมครับสวยงามมากนะครับภาพลักของอิสลามถ้าเราจะถ้าเราจะทบทวนตัวเองเนี่ยเป็นการทบทวนตลอดทั้งปีนี่เราว่าเออ ความเป็นมุสลิมของเราเนี่ยมันสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนด้วยอา ม, มาลต่างๆที่เป็นรุกอิสลามก่อนอนะไม่ต้องไปเอาอย่างอื่นรุกอิสลามก่อนนี่มันเป็นแม่บทหลักของการเป็นมุสลิมเนี่ยเราได้ทบทวนว่าเอออะไรบ้างที่เราได้ทําซึ่งในแม่บทหลักของรุกลิสลามเนี่ยมันก็มีรายละเอียดติดย่อยสอแสดแทรกอยู่แล้วยัไ้ไงครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮฺฮะดานะลิลิสลามนะขอบคุณอัลลอฮฺ س ب า ا ن ه และ تعالى ที่ ทรงฮิดายัดให้เรานั้นได้เป็นผู้ที่นับถืออิสลามมีอิสลามเป็นแสงสว่างนะครับส่องทางนาของเรานี่คือความรู้สึกของผู้ที่เป็นมุสลินหรือผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาต่อลอสุานะจ๊ะอัลลเอาละครับวันนี้เดี๋ยวมาดูสักนิดนึงนะครับสุรทุลมุดดัสเซตต่อจากรอบที่แล้วเราได้อ่านอายัด ท, ที่ยาวที่สุดในสุรามดัสเซตไปแล้วนั่นก็คือ อายะตุลฟิทนะอายที่อัลตะอาลาได้ตรัสถึงการทดสอบบรรดาคนกาเฟตด้วยจำนวนของมลเอกผู้เฝ้านรกนะครับว่ามันมีหิกมัดอะไรยังไงนะครับวันนี้เราจะอ่านต่อจากนั้นนะครับอายัที่สามสิบสามสิบสองนะเป็นต้นไปอายที่สามสิบสครับสุรตรมนตร์ หน้าสามสิ الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لا إ ح د َ الكبر นดีรِลล์ البشر ลิมันชาหมินَุมไอَะตัดมา ت َ أ َ خ ทอกร ك ُلُّ ن َ ف ْ س بما سب ِ م َ ا كَسَبَتْ ر َ ه ِ ي ن َ ة อ إِلَّا أَصْحَابَ ا ل ْ ي َ م ِ ي ن อ อัลฮัมดุลิลละแค่นั้นก่อนนะครับสามสิบสองจนถึงสามสิบเก้านะครับอายัดที่แล้วนะครับที่เราพูดถึงว่าที่อัลลอฮ์ได้ตรัสว่าจํานวนมาลัยกัสเนี่ยไม่มีใครรู้นอกจากอนานัลลอฮ์ที่มาที่ไปเราก็ทราบแล้วนะครับว่าอายัดที่มันลงมาได้อย่างไง ลงมาเพราะว่าพวกมุชริกีนั้นทำทีเยอะเย้ยถากถางท่านอนับดุลละสลัมด้วยจำนวนมาลักาศผู้เฝ้านรกอา้าวมีแค่สิบเก้าท่านเองเหะจัดการได้ไม่ยากซึ่งละตาะะก็เลยมาอ้อโต้นะครับบอกว่ามาลักาศแต่ละท่านเนี่ยยิงงย่งใหญ่ขนาดไหนแล้วก็นรกเองก็ยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับ สุบฮานัลลอฮ้าเราดออูดาลีลหรือหลักฐานจากอัลกุรอานจากขดิษที่พูดถึงนรกเนี่ยพี่น้องครับเ ค, เคยเรียนมาแล้วใช่ไหมครับสักหน่อยหนึ่งส่วนหนึ่งที่บอกว่านรกเนี่ยมันถูกสมไฟจำนวนกี่พันปีนรกสมสมไฟหนึ่งพันปีก่อนหนึ่งพันปีนี่เป็นสีขาว อีกพันปีเป็นสีแดงและอีกหนึ่งพันปีเพิ่มเข้าไปอีกจนกลายเป็นกลายเป็นสีดำนี่คือไฟนรกแล้วมาเลิกการที่เฝ้านารกเนี่ยมาลกมาลิ ก, มา ล, กมาลิกอัลซับา น, เนีเมีหน้าที่ในการเฝ้าจริงๆ ไม่สนใจอย่างอื่นเลยในขณะที่ชาวนรกกาลังโหยหวนเรียกร้องเรียกร้องเดี๋ยวเรียกร้องนั้นเรียกร้องเนี่เรียกร้องเหมือนกับไม่ได้ยินเฝ้าผู้เฝ้ามาลเลยคับที่เฝ้านรกเนี่ยคือไม่มีปฏิกิริยาใดๆทั้งสิ้น ต, ต่อต่ออะไรต่อเสียงโหยหวนว่ฮุมยาสตรีคู่ในฟีฮาอัลกุรอานใช้คําว่าว่าฮุมยาสตรีคู่ในฟีฮา คนเหล่านี้โหยหวนในนรกรบบเนอคริจนะยะอัลลอฮ์โอพระผู้เป็นเจ้าเอาเราเออกไปด้วยเอาเราเออกไปด้วยขอกลับไปสักหนึ่งนาทีกลับไปสัตว์เทาตลอรอดสักหนึ่งนาที <c oughs> เสียงเนี่ยได้ยินมาแต่ว่าเหมือนกับมอะไรกัดเหมือนกับไม่ได้ยินทําทีเป็นไม่สนใจใดๆทั้งสิน้นหนึ่งพันปีที่ร้องโหยหวนอยู่ พูดมาทําหนึ่งออซอูฟิฮะอยู่ในนั้นต่อไปพูดแค่นั้นแหละไม่พูดแล้วอย่างอื่นไม่ใช่ว่ามาต่อรองเจรจาเล็กๆน้อยๆเงียบๆก่อนไม่มีอยู่ในนั้นต่อไปปิดปากของเจ้าซะเออซอูฟิฮะก็คือปิดปากไม่ต้องพูดมากนะอย่ามาพูดมากอยู่ในนั้นไป นี่คือคำพูดหนึ่งพันปีที่ออกมาจากเมลิกอสเซเบเดียและพี่น้องคิดดูสิว่าจะขนาดไหนนะครับแล้วจริงๆแล้วสิบเก้าท่านที่เฝ้านรกเนี่ยไม่ใช่แค่สิบเก้ามันมีมะละอี ก, กัดอื่นที่เป็นลูกน้องอีกเยอะสิบเก้านี่ยอาจจะหมายถึงหัวหน้าบรรดาหัวหน้าที่เฝ้าที่เฝ้าอยู่เพราะว่ายันนำเองเนี่ยมีเจ็ดมื่นเชือกที่ใช้จูง ไ, ไหมครับ แล้วก็แต่และเส้นที่เป็นเชือกนี่ก็มีเจ็ดหมื่นมาล้อีกครับลองคิดดูมันก่อนเราคูณแล้วออกมาเป็นตัวตัวเลขแล้วนะครับก็เท่าไหร่มาลัยกัทนี่มีเยอะมาลัยกัท บ, บางท่านนะครับบางบางกลุ่มที่อัลลอฮฺตะอัลาสร้างขึ้นมาเนี่ยหน้าที่ของพวกเขาก็คือสุ jud ต, ต่ออัลลอฮฺตะอัลาอย่างเดียวอสุ j ู d ต, ต่ออัลลอฮฺตะอัลาอย่างเดียวสุ j ู d ต, ตั้งแต่วันที่ถูกสร้างจนกระทั่งวันอัษฐาน มีหนังสนะครับมีปรากฏหนังสือที่ท่านนบีลลัลลอฮับอกว่า “وَإِنَّ ل ل َّ ه تَعَالَى فِي ا ل س َّ م َ ا ء ِ الدُّنْيَا مَلَائِكَةً خُشُوعًا لَا ي, لا ي ر الس ت, ر ر قال وا, َ ر ْ ف َ ع ُ ن َ رُؤُوسَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ فَإِذَا قَامَتْ رَفَعُ رُؤُوسَهُمْ حَتَّى قَالُوا رَبَّنَا مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ” องฟ้าแต่ละชั้นเนี่ยจะมีมลกอยู่ ซึ่งกลุ่มมาลัยกัตที่อยู่บนชั้นฟ้าดุนยาเนี่ยก็จะมีมาลัยกัตส่วนหนึ่งที่สุญูต่อรักตระตลาด้วยความโคชูอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งวันเกียร์มัดมาถึงพอวันเกียร์มัดมาถึงเนี่ยพวกเขาก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วกล่าวกับอัลลอฮ์สุบา น, นตละลาว่าอย่อรอเราไม่ได้อิบัตัดาต่อพระองค์ด้วยการอิบัตัดาที่แท้จริงเลยนิดเดียยังน้อยอยู่อิบัตัดาของเราต่อพระองค์ที่น้องคิดดู ตั้งแต่วันที่ถูกสร้างมาจนกระทั่งวันกียรมัดเนี่ยสูญหยุดต่อละแต่ละอย่งเดียวไม่ได้ทําอะไรแต่พอเงยหน้าขึ้นมาแล้วยังมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อิบัตดัตต่อละแต่ละอย่างสัตจริงนี่คืออิบาดัตของมาละอ็กซ์สุดฮาแนลละชั้นที่สองก็เหมือนกันชั้นที่สมก็เหมือนกันก็จะมีมาละกัดกลุ่มเหล่านี้อยู่เพราะฉะนั้นว่ามายะรู้จุนูดรับบิคอิลล้า ไม่มีใครทราบหรอกว่าจำนวนมาอะละกอที่แท้จริงมีเท่าไหร่กองทัพของล่องเม้าต่าลาที่เป็นมะละกอมีเท่าไหร่แล้วกองทัพที่เป็นอย่างอื่นอีกมดนะที่เป็นลมฟ้าอากาศทั้งหมดนี้อยู่ในพระหัตถ์ของล่องเม้าต่าลาที่คอยควบคุมอยู่ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นอายัดนี้ก็เลยมานะครับอายัดหลังจากสามสิบเอ็ดนี้ก็เลยมาที่เม้าต่าลาบอกว่าแค่ ผ่านมาเยอะใช่ไหมครับกัลลาเนี่ยหมายถึงอะไรฮะกัลลานี่เหมือนกับว่าลบหมดเลยเมมโมรี่ก่อนหน้านี้ลบออกหมดกัลลาไม่ใช่อย่างที่พวกเจ้าทึกทักมาก่อนหน้านี้ลบไปหมดเป็นการตวาดเป็นการซเจรและเป็นการอิบตาลอิบตาลหมายถึง ทำลายข้อเท็จจริงก่อนหน้านี้จนหมดไอ้ที่พวกนี้มันคิดว่ามาละไอ้กัตเนี่ยสู้ได้เราสู้ได้เราไปออผลักอะไรนะผลักผลักกับไหลขวาสิบแล้วก็ผลักกไหลซ้ายสิบเยอะเยอ ะ, ะท่านนาบีสุลต่านอัลสลามต่างๆนานาเนี่ย阿拉ตะลาตวานด้วยคําเดียวกันไม่อย่าอย่ามาทึกทักอย่างงั้นอย่ามาไม่ใช่อย่างงั้นเด็ดขาด วอลควมาร์วอลมรเป็นการสาบานบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นขอสาบานด้วยดวงจันทร์วอลไลลอิสอับาร์วอลคมรอันที่หนึ่งสาบานด้วยดวงจันทร์อันที่สองสาบานด้วยกลางคืนสาบานด้วยกลางคืนเวลาไหนกลางคืนตลอดทั้งคืนไหมไม่เจาะจงด้วยอิสอับาร์ กลางคืนที่เป็นกลางคืนที่กําลังจะหมดกําลังจะสว่าง is advar advar ก็คือกําลังจะออกไปแล้วกําลังจะจะหมด advar ก็คือเหมือนเวลาที่เราบอกว่า advarajulon คนคนหนึ่งได้หันหลังไปแล้วหันหลังไปแล้วก็คือเอาก้นของตัวเองเดินไปอ่ะ <c oughs> เอามาจากคําว่า dubor dubor ก็คืออ่ะก้นของคน advar ก็คือไปแล้วกลางวันกับกลางคืนกำลังจะไป ว่าอะไสาบานกับกลางคืนช่วงที่มันกำลังจะหมดเวลาวะซุบฮีอีดะอัซฟารสาบานอันที่3มสาบานกับเวลาซุบฮีเวลาเช้าที่กาลังจะสว่างพอกลางวันพอกลางคืนจะหมดกลางวันมันก็มาวะลมรไลลีอีดอัดบาร์วะซุบฮีอีอัฟรสาบาน3มอย่างเลย ทุกครั้งเวลาที่อาลักต์อาลาสาบานพี่น้องจำเอาไว้เลยนะครับทุกครั้งเวลาที่อารักต์อาลาสาบานแสดงว่าต้องเป็นการพูดถึงอะไรที่ไม่ใช่เรื่องเล็กอย่างแน่นอนทุกครั้งที่มีการสาบานจะต้องมีสิ่งที่มารองรับ ก, การสาบานต้องการจะอธิบายอะไรบางอย่างว่าลักรีสาบาน ครมแล้วมันก็จะตงนี่กัสมสิ่งที่มารับการสาบาน้ใจครับการสาบานเป็นการรับการสาบานการอธิบายว่ามนุษย์นั้นอยู่ในความขาดทุนตรงนี้ก็เหมือนกันวัลจ ไหนล่ะการรับการสาบานตรงนี eh ้อินนาฮะละอิดลคุบร eh ์นี่คือการรับการสาบานสาบานมาสมอย่างเนี่ยเพื่อที่ต้องการจะบอกว่าอินนาฮะละอิดลคุบร์สิ่งที่เจ้าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กสิ่งที่เจ้าคิดว่ามันเป็นเรื่องจะจิตริสเป็นเรื่องที่มาล้อเลียนทากถางกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก อิหดัลคุบร์เป็นหนึ่งในจานวนสิ่งที่ใหญ่หลวงมากนรกยะหันนำสักกรเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่ไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กและอิลลฮ์อิลลัลลอฮนี่เฉพาะสักกรนรกมีกี่ขุมนะและซาบะกุอบวาลีคุลบับิมหนุมจุ้อุมักซูม มีเจ็ดประตูเจ็ดประตูยานนำนี่มีเจ็ดประตูและแต่ละประตูเนี่ยก็จะเป็นคำว่าช่องของมันเรียบร้อยแล้วคนที่ไม่ละหมาดจะเข้าประตูนี้คนที่ก็จะมีช่องที่สับแ ล, แ ล, แล้วดูดูประเภทของคนที่จะจะถูกลงโทษ ด, ด้วยเอาสุเป็นไรมิจเรจะมีหุบเหวเฉพาะนะที่ท่านนาบีตอนที่ท่านนาบีอิสระแมร์รอชใช่ไหมครับอันนี้เหว หรือเาเรียกว่าขุมที่ไว้ลงโทษพวกที่ไม่ละมัดอันนี้ขุมที่ไว้ลงโทษพวกที่เรียกว่าว่าดิซูน่ห้วยของคนที่ผิดประเวณีพวกพิซีนาอันนี้เป็นของพวกที่กินดอกเบีย้ยอันนี้เป็นเป็นจะแบ่งยุสอุมหมักซู่เพราะฉะนั้นสักก้อตอย่างเดียวนี่ก็หนักละ แล้วนักภาษาอะไรกับอีกหลายกลุมนรกที่มีอยู่อินนะฮะละอิฮดลกุบารุนะครับละอลาฮอิลลอฮนะท a f s ก็บอกว่าอย่างไงอินทร์ักร์ที่ถูกคุมบีเธวับบีขานทวับข้าวันที่เขาฟิรุลแล้วอีอี๋อือื่นออื่อื่นอื่นอื่นอื่นอื่นอื่นอืนอื่นอื่นอื่นอืนอื่นอืนน มันใหญ่มันมหาศารมันอลังการมันใหญ่มากไพศาลมันเราอธิบายไม้เราไม่รู้จะจะเขียนาพาอยังไงไม่มีไม่มีตัวอย่างให้เห็นในโลกดุนียะว่านารกนั้นเป็นยังไงเราอาจจะจินตนาการเราอาจจะคิดไปแต่มันไม่ใช่เหมือนกันกบที่มันต้องใหญ่กว่าสิ่งที่เราคิดและก็จินตนาการอย่างแน่นอนเอาสเปนลันตาเยแล้ว ไอ้ความยิ่งใหญ่ของนรกเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรที่ ala, อัลลอฮฺอัลลอฮฺอธิบายถึงขนาดนี้เนี่ยมีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อนาซีรันลิลบะชรอัลลอฮฺอัลลอฮฺต้องการเตือนเตือนมนุษย์อายัดที่พูดถึงนรกทั้งหมดเอาไว้เพื่อเตือนมนุษย์เวลาที่ท่านนาบีสุลต่ามพูดถึงนรกก็เพื่อเตือนมนุษย์ เวลาที่เรามีความรู้สึกว่าหัวใจเราเริ่มที่จะดือ้อเริ่มที่จะแข็งกระด้างผมมีความรู้สึกอย่างหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วหัวใจของมนุษย์เนี่ยมันไม่มีอายุมันไม่เคยแก่ ลองดูตอนตอนเด็กๆนะผมว่าเด็กๆเนี่ยจริงๆแล้วเด็กกับเราเนี่ยหัวใจเนี่ยหัวใจระดับเดียวกันเด็กบางทีมันก็มีหัวใจเหมือนผู้ใหญ่นะมันไม่ได้แตกต่างไปจากผู้ใหญ่และบางทีผู้ใหญ่เองก็หัวใจมันก็ยังเป็นเด็ก <laughs> มันไม่แก่มันมีแต่แข็งกระด้างกับอ่อนโยนแค่นั้นเองผู้ใหญ่พอแก่ตัวแก่ตัวมากขึ้นหัวใจแข็งกระด้างมากขึ้น เด็กอาจจะอ่อนโยนกว่าผู้ใหญ่เพราะมันยังไม่แตกเปื้อนมันยังสะอาดมันยังบริสุทธิ์อยู่แต่พอแก่แกไปเนี่ยมันก็เริ่มแข็งกระด้างแต่ว่ามันไม่ได้แก่มันไม่ได้มีอายุมันแค่แข็งกระด้างกับอ่อนโยนแค่นั้นเองเพราะบางทีผู้ใหญ่ก็ยังทำตัวเหมือนเด็กใช่ไห ม, มผู้ใหญ่ไม่ยอมแก่กเดียผู้ใหญ่ไม่ยอมแก่หัวใจยังเวรุน <laughs> เพราะฉะนั้น บางทีเวลาที่หัวใจเราแข็งกระด้างเนี่ยเราเริ่มจะดือ้อเริ่มจะมีความรู้สึกไม่รับคำตัดเตือนเริ่มที่จะควาย เ, เฉเฉยใช้แขวะไปทางนั้นทีแขวไปทางนี้ทีเนี่ยเนี่ยหาตัวหาตัวที่จะมาเป็นนาซีให้กับหัวใจด้วยอะไรคือนาซีสําหรับหัวใจ เรียกมันกลับมาเวลาที่หัวใจของเรากําลังจะลอยไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งเนี่ยจะใช้อะไรในการเรียกมันกลับมาอะจะใช้อะไรครับอักษิรุสิคราฮะซิม ล, ลัตจัดบอกแล้วนะครับความตายก็เป็นนัซีสําหรับหัวใจได้เวลาที่หัวใจเราเริ่มไปแล้วเริ่มไปกับดุนยาเริ่มไปกับมะเสียดเริ่มไปกับการหลงลืมอัลลอฮฺ เรียกมันกลับมาด้วยความตายด้วยนรกด้วยวันอาเครัสด้วยสัจธรรมที่เราต้องเจอมันความตายเราต้องเจอมันหรือเปล่าครับใครมีความตายได้บ้างไม่ได้นะความตายเป็นสิ่งที่เราหนีไม่พ้นเพราะฉะนั้นไปดูสิว่าสัจจธรรมข้อ น, อ น, นี้เมื่อเมื่อไรมันจะมาหาเรามันสอนเราอะไรได้บ้าง กับการที่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนนี้วันวันนี้มันเกิดขึ้นกับคนอื่นแไม่แน่ว่าอีกวันหนึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นกับเราความตายมันเกิดขึ้นกับทุกคนครับเพราะฉะนั้นนารีรันลิลบาชรหมายถึงนรกวันอาเครัตการลงโทษของลอร์ดสุภานาฏะอัลาหเนี่ยมาเพื่อเตือนเราเตือนยังไงลิมันชาอามิคุมอันยัตตะดัมอวิยัตอักร สำหรับใครก็ตามในหมู่พวกเจ้าที่ต้องการจะไปข้างหน้าหรือต้องการจะถอยหลังไปข้างหน้าอย่างไงถอยหลังอย่างไงเรา แ, แต่แลใช้คำว่าอย่ตะกัดดัมเอาอย่ตะอคับอย่ตะกัดดัมหมายถึงไปข้างหน้าด้วยการเชื่อฟังอัลลอฮ์ด้วยการศรัทธาต่ออัลลอ์ เขาก็จะเป็นคนที่ได้ไปต่อได้ไปต่อได้ไปหาอัลลอฮ์ได้ไปเจอกับสวรรค์ได้ไปรับรางวัลจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นี่คือความหมายคอาคว่าตะ קד ด, ดัมนะครับซึ่งนะคําว่าตะก ד ด, ดัมเนี่ยกับยะตะอัครยะตะอัครก็คือตรงกันข้ามกับคนที่ไปข้างหน้าถ้าไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์ ไม่รับการศรัทธาต่อเราไม่รับคำเตือนจากอัลลอสุบอะอตาลาแสดงว่าเขาเป็นคนถอยหลังถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ทำอะไรบางทีเราไม่ได้ทำอะไรเราไม่ได้ถอยนะแต่พี่น้องของเราเนี่ยไปก่อนเราก็เลยกลายเป็นคนถอยหลังโดยโดยปริยาเราคนอื่นไปกันหมดอะเราอยู่เฉยอยู่กับที่ก็กลายเป็นคนที่ถอยหลังโดย โดยอัตโนมัตเพราะฉะนั้นทางเลือกเดียวเท่า <c oughs> นั้นที่เราที่เราจะกลายเป็นคนคนที่เจริญคนที่พัฒนาในเรื่องของวันอคไครรัต ก, ก็คือต้องไปข้างหน้าต้องรับหิดายัดจากอัลลอฮฺสุบฮานะอฺตาอัลละต้องเชื่อฟังต้องต่ออาติอัลลอฮฺต้องมี إ ต้องทำดีตามคำเตือนที่อัลลอฮฺตาลาได้บอกกับเราแล้วเราก็จะได้เป็นคนที่ไปข้างหน้าอย่าตักัดจับ ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในอายัดนี้เนี่ยเป็นหลักฐานชัดเจนว่าเราจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าปัดความรับผิดชอบไม่ได้เพราะลักษณะใช้คำว่าลิมันเชอรมิงโกสำหรับผู้ที่ต้องการเสดงมันขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเราจะบอกว่าฉันเป็นคนชั่วเพราะลักษณะกาหนดมาให้ฉันอย่างนี้ได้ไหม เขาคนนั้นไม่เป็นไรแล้วเป็นคนดีแล้วแต่เราให้อิดายัดเขาฉัน阿拉แต่เราไม่ให้อิดายัดได้ไหมไเพราะ阿拉แต่เราใช่ว่าเชอามันอยู่มันขึ้นอยู่กับความต้องการของเราด้วยอย่างไรก็ตามความต้องการของมนุษย์หรือความต้องการของมรรคโลกเนี่ยมันไม่ใช่ความต้องการสัมบูรณ์มันไม่ใช่ความต้องการอิสระ นะครับต้องเข้าใจให้ดีเพราะบางทีจุดนี้แหละที่ทําให้เราปวดหัวกันเรือเกินนะหลายคนตอนนี้มันปวดหัวกันเรื่องเนี้ยเอาเรื่องความก็เรียกว่ามาชชีอะเนี่ยเอามาเกี่ยวข้องแล้วแต่เราไม่ต้องการให้ฉันเป็นคนดีฉันก็เลยเป็นคนชั่วอันนี้เราสับสนกับเรื่องความต้องการว่าตกลงเราต้องการหรือเราต้องการหรืออะไรกันเนี่ยต้องเข้าใจว่าความต้องการของเรา เป็นความต้องการที่ไม่มีพันธะใดๆทั้งสิ้นเป็นความต้องการมุดล็อกอิสระอาตาราต้องการให้เราเป็นคนดีอาตาลาต้องการให้เราป่วยอาตาลาต้องการให้ เ, เราเป็นคนหลอ่ออันนี้เป็นความประสงค์ของพระองค์เราจะไปคอมเมนต์พระองค์ไม่ได้แต่ความต้องการของเราเป็นความต้องการที่เรียกว่ามกเยดมีพันธะมันไม่จะไม่เกิดขึ้นนอกจากด้วยความ อนุมัติจะเอาล็อกสุมพางตระหลาทั้งสิน้นแต่เราอย่าลืมนะครับว่าความต้องการขอล็อกสุมพางตระหลาเองก็มีสองประเภทเรียกที่เรียกว่ามัชชีอัตุนเกาเนียกับมัชีอัตุนชารีอาอัลละตัลลาต้องการให้เราเป็นผู้ศรัทธาทําไมเราไม่เป็นอัลละตัลลาต้องการให้เราทําอัมัลอิบะดัตทำไมเราไม่ทําตอบได้ไหม เพระองค์บอกว่าต้องการให้เราเป็นคนดีอะทำไมเราไม่เป็นคนดีเพราะนั่นขึ้นอยู่กับความต้องการของเราด้วยเราต้องการเป็นคนดีจริงหรือเปล่าเพราะมันช่าแต่ยุมินว่มันชาแต่ยากฟรเพราะฉะนั้นอย่าสับสนนะครับ Allah ต้องการเห็นว่าเราเนี่ยจะเลือกศรัทธาหรือเลือกที่จะเป็นคนกูฟรุรอายัดนี้จึงเป็นหลักฐานมัดตัวของเรา ว่าเราจะปัดความรับผิดชอบไม่ได้การที่เราเป็นคนไม่ดีการที่เราทำดีการที่เราเป็นคนช่วแล้วเราไม่เตาบัตตัวแล้วเราจะปัดความรับผิดชอบว่านี่มันไม่ใช่ความต้องการของฉันไม่ได้อายัดนี้บอกอย่างาชัดเจนลิมันเชอรมิงคุมอ้นอย่า تقدم أوتأخر كل نفس بما كسبت رحينة อายัดนี้ก็มาเพิ่มความหนักแน่น ให้กับอัยัดก่อนหน้านี้เข้าไปอีกมนุษย์ทุกคนชีวิตทุกชีวิตจะถูกจำนองด้วยสิ่งที่เขาทำความชั่วเราทำอะไรเหมือนแต่เราเป็นลูกหนี้พวกเราทุกคนนี่เป็นเหมือนเป็นลูกหนี้นะทัซเสียก็บอกว่าในทับเสียนี่ก็บอกว่ายังไงมารฮูนตุนอินดะลอ บิคั ا ل ت ่ห์นะมาขุ่น์บิ่งงานมาหรือไม่เพราะว่าเพราะว่าเวลาที่ Allah ทรสั่งให้เราทำอะไรเนี่ยสั่งให้เราละมาละมานี่คือนี่ถ้าเราไม่ทำแสดงว่าเรายังไม่ได้ปลดหนี้ พราะเรามาแสดงว่าเราปลดหนี้ของเราไปแล้วเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่มีหนี้อยู่หนี้กับ Allah. อัลลอฮ์อะ ม, มัลของเราเนี่ยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่มาจองจําตัวเราอยู่มรฮูนะคุลุนัฟซินบิมาคัซบตมรฮูนะมรฮูนะนบิมาคัซบตบิมาคัซบตเราห็นะชีวิตถูกจองจําด้วยอมมามัล เมื่อเราปลดอมมามัลของเราเราทำอมมามัลแสดงว่าเราปลดตัวเองทีละชิ้นทีละอันทีละอันทีละอันทีละอิละนี่แหละที่บอกว่าอินละเอาบยามียนนอกจากคนที่เป็นมือชาวมือขวารับการบันทึกอมมามัลของตัวเองด้วยมือขวาก็คือคนจะได้เข้าสวัสด์คนเหล่านี้แหละที่ได้ปลดตัวเองออกจากการเป็นหนี้เข้าใจไหมครับ คุณรนักเส้นบิมากาซาบัทรีนะเป็นการตอบย้ำว่าเราจะปัดความรับผิดชอบต่อตัวเองไม่ได้เราทุกคนเกิดมามีหนี้ที่ต้องชำร ะ, ำระกับอัลลอ์สุฮาหัวะตะอัลละตราบใดที่เรายังใช้แนมัดของพระองค์นะครับแล้วการปลดหนี้ปลดหนี้ของเรากับอัลลอต์ถามว่ามีต้นทุนไหมฮะคือไม่ใช่ว่า เป็นหนี้ที่เราเราไม่สามารถจะปลดได้อะมันเป็นหนี้ที่มันมีมันมีของอยู่แล้วแค่เอาไอ้นี้ไปปลดแค่นั้นเองมันอยู่ต่อหน้าเราแล้วอะ่ะไม่ใช่ว่าต้องไปทำไปสร้างไปหาไปคุยไปลงเยอะแย ะ, ย ะ, ยะมากมายมันมีอยู่แล้วห้าอย่างนะห้าอย่างที่เป็นรกนอิสลามเนี่ยเป็นต้นทุนที่เราจะใช้ใ น, ในการปลดหนี้จากอัลลอฮฺซุบฮานาตะอลเนี่ยถามว่ามันมีอยู่แล้วนะั้ม ละหมาดมันมีอยู่แล้วแบบครบคือมันแค่แค่ไปอาบน้ำละหมาดแค่ไปอาบน้ำละหมาดแค่มาตักเวทแล้วก็จบแค่นั้นเองคือพูดคำว่า น, นี่ดูแล้วมันดูดูหนักหนามากแต่จริงๆแล้วมันง่ายมากมันไม่ได้ยากอะไรเลยแต่อัลลอฮฺสุบไบร์ต阿拉ก็บอกว่ามันหนักสำหรับคนที่ทำไม่ได้ว่าอินนาเลคบีรอิลลาอลัลขชอี การละหมาดเป็นสิ่งที่หนักมากยกเว้นสําหรับคนที่ขชะเท่านั้น a l l น d i n a y z น n n u n a n h u m u l a k u r a b b i h i อ w a a n h u m i l l a h i r a j e e m นะคนที่มีความศรัทธาว่าจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ละหมาดสาหรับเขาเป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากเล็ปลดหนี้จากอัลลอฮ์ใส่แล้าลาทุกวันแตนะเราต้องปลดหนี้ทุกวันนะครับเพราะอะไรเพราะเราใช้หนี้ทุกวันเพราะเรามีหนี้กับอัลลอฮ์ตะลาทุกวันนะี้เราต้องละห ม, มาดทุกวันเพราะอะไร เพราะเราใช้ลมหายใจของรัศมีทุกวันเหมือนเวลาที่เราทยอยจ่ายอะ่ะใครที่เป็นหนี้นอกระบบนี่ยเขาบอกเขามาหาทุกวันเลยนะจ่ายวันละยี่สิ บ, บาทนระบบนี่จ่ายวันละยี่ส บ, บาทสิบยี่สิ บ, บาทยีสิ บ, บา ท, บบาทต้องจ่ายวันไหนนี่ไม่จ่ายระวังลูกกระสุนจ ะ, จะมากินกระบาลสุดห้านัลลเหรอเนี่ยต้องเอาบทเรียนพวกนี้มาใช้ในชีวิตของเรากับอัลลอฮฺสุบฮฺฮามุตะลาด้วย อันนี้ในยะหนึ่งเป็นการเขาเรียกว่าตรีบะตรีบนี่คืออะไรครับเป็นการเตือนสัมทับให้เราต้องนึกอยู่ตลอดเวลาว่าต้องให้พน้นให้พน้นให้พ้นจากนี่อย่างน้อยสิ่งที่เป็นฝรดูเนี่ยจะต้องให้ต้องให้เคลียนะนี่นี่จะต้องเคลียเป็นฝรดูนี่ต้องเคลียถ้าไม่เคลียแล้วหนักมากมันอยู่ว่าพระตาลา จ, จะจะยกโทษหรือไม่ยกโทษซึ่ง อันนี้เป็นสิทธ์ของพระองค์ซึ่งเราไม่รู้เราจะไปตึกคักว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวละตัาลลาะก็อภัยให้เองอ่าระวังให้ดีลูกนี่แบบนี้เนี่ยไม่รู้จักอัลลอฮ์จริงอินนัลลอฮะกอฟุรุรฮิมอัลลอฮ์ตัาลลาะนั้นนะบางคนที่ใช้อายักนี้อย่างเดียวเลยชีวิตนี้ใช้แต่อายักนี้อัลลอฮ์เมตตาอัลลอฮ์อภัยไม่เคยเจออายักที่บอกว่าอินนัลลอฮะชาดีดูละอีกอบไม่อ่านอายักนี้บ้างนะเอะทําไมไม่อ่านอายักนี้บ้างอ่ะ แท้จริงแล้วอัลตตารานั้นเวลาลงโทษแล้วลงโทษยังไงชาดีดูละกอบลงโทษอย่างหนักหน่วงเออมันไม่เคยเจออายดแบบนี้เอาทายอัลรอฟุรฮมอัฟแล้วไหนอายที่ชาดีดูละคอปฉาดีดูละซาลนะอูซุละมันต้อินน์อินน์ฮาลาะดะลคุบรอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นมันจะต้องไปด้วยกันอาจจะต้องไปอายัดที่เป็นอัฟูร์อัลฮิมเป็นปีอกหนึ่ง อายะที่เป็นชาดีดุลไอกาบเป็นปีกหนึ่งความหวังแล้วก็ความความกลัวต้องไปด้วยกันอนคเยมบอกว่าความหวังกับความกลัวนี่เหมือนปีกสองข้างเหมือนนกที่ต้องใช้ปีกทั้งสองข้างในการบินนกที่มีปีกข้างเดียวมันบินไม่ได้แล้วความรักก็เป็นเหมือนกับหัวความรักนนหนําหน้าความความรักที่เรามีต่อ a l ะ a h จะพาเราไปสู่พระองค์แล้วเราใช้ความหวัง กับความกลัวในการบินไปหาอัลลอฮฺสุบฮานวตาะตะลาอินชาอัลลนะครับนี่เป็นบทเรียนที่เราได้รับจากอายะต่างๆพวกนี้เพื่อที่เราจะได้เอามาใช้ในการใช้ชีวิตเป็นผู้ที่ประสบ ค, ความสำเร็จทั้งในโลกดุนยานี้และผู้ที่รอดพนด้นในวันอาคเรัตต่อไปอินช่าอัลลอสุบฮานวาวะตะลา a ل ل a h Taala ع ل م ص ل َ ى اللَّهُ ع َ ل ى ن َ ب ِ ي ن َ ا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ و َ ص َ ح ْ ب ِ ه و َ س َ ل َّ م سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ أَمَّا يَسِيفُونَ س َ ل َ ا م عَلَى ا ل ْ م ُ ح ْ س ِِ ي ن َ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ أ َ ع ُ و ذ ب م ب ا ل ل َّ ه ِ م ح ن َ ا ل ش َّ ي ْ ط َ ا ن ا ل ه َّ ج على ن ب ي ن ا <c oughs> محمد و หมัด آل ه و แ أصحاب ฮิฉะเหม سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم رب إشرح لي, لي صدري و ي س ر لي أمري هل العقدة تملساني يفقه قولي ربنا ظلمنا أنفسنا و إ ل متغفر لنا وترحمنا أن نكون ن من الخاسرين رب نعاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة อ่นะตะว็อนะอาจารย์นนท الحمد لله سور ุ المدثر น่าจะอีกประมาณสองตอนนะครับจะได้จบตั้งแต่อายะที่อ่นี่สามสิบแปดนะครับลล อ عوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس بما كسبت راهنة إلا أصحاب اليمين إ ิล أصحاب اليمين ในจัน ت ต์ س ا ء เจอริมินฮะอิลูเรมสักุฟีซักรมาสักุฟีซกรลม